3. กระบวนการปฏิบัติแบบลำดับขั้นตอนซึ่งจัดเป็นระบบขึ้นจากองค์ประกอบแห่งทางดับทุกหรือมรรคกระบวนการปฏิบัติแบบนี้ไม่ใช่กระบวนธรรมะตามธรรมชาติโดยตรงแต่เป็นระบบวิธีของการปฏิบัติธรรมที่ดาเนินไปอย่างมีขั้นตอนแต่ละขั้นเป็นความก้าวหน้าที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติในขั้นถัดขึ้นไป เช่นธรรมะเป็นอาหารอุดหนุนกันแต่ละคำมีลูกศรไปหากันเช่นกันนะครับเริ่มด้วยเสวนาสัตว์บุรุษในที่นี้ตอนต้นหนังสือพิมพ์ว่าสัต บ, บุรุษที่สะกดด้วยปอปลานะครับแต่พอมาเป็นหัวข้อนี้พิมพ์ว่าสัตว์บุรุษที่สะกดด้วยตอเตา่าซึ่งก็คือความหมายเดียวกันนะครับ คำนี้บางท่านชอบอ่านว่าสั ต, ตบุรุษซึ่งความจริงก็ไม่ผิดแต่มีครูบาอาจารย์ท่านแย้งว่าถ้าไปอ่านวาสั ต, ตบุรุษก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดได้คือไปพร้อมกับคำว่าสัตต์ที่แปลว่าเจ็ดกลายเป็นบุรุษเจ็ดคนในที่นี้ผู้อ่านและทุกที่ก็จะอ่านวาสั ต, ตบุรุษนะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังเข้าใจตรงกันธรรมะเป็นอาหารอุดหนุนกัน เริ่มด้วยเซวนาสัตบุรุษสดับสัตธรรมสัทธาโยนิโสมนาสิการสติสัมปัชัญญะอินรียะสังวรสุดริตสติปัฏฐานโพชฌงและจบด้วยวิชาวิมุตติ การนำเอาองค์มัคมาจัดเป็นกระบวนการปฏิบัติธรรมอย่างนี้อาจทำให้มีขั้นตอนที่เป็นรายละเอียดแตกต่างออกไปได้อีกหลายอย่างตามความมุ่งหมายเฉพาะและแง่ที่เน้นแต่โดยทั่วไปขั้นตอนต่างๆจะอยู่ในแนวและลำดับของตรายสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นหลักใหญ่ของการนำเอาองมัคมาใช้ในการปฏิบัติสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ จัดเข้าในหมวดปัญญาสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะจัดเข้าในหมวดศีลสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิจัดเข้าในห ม, ดน ม, มาวดสมาธิซึ่งจะอธิบายอีกข้างหน้าในที่นี้จะแสดงกระบวนการปฏิบัติธรรมแบบนี้ เป็นตัวอย่างเพิ่มไว้เฉพาะที่ท่านกล่าวถึงอยู่เสมอหรือได้ยินกันบ่อยๆ อ, อีกสามแบบแสดงไว้พอเห็นเขาความและขั้นตอนผู้ศึกษายังไม่ต้องเอาใจใส่รายละเอียดพระมรรจันที่สำเร็จผลขั้นศีลเริ่มด้วยพบพระพุทธเจ้าคือเสวนาสัตบุรุษสดับธรรมศรัทธา จึงออกบวชไปสู่อริยศีลอนวัชสุขไปสู่ขั้นสมาธิคือประกอบด้วยอินรียะสังวร อ, อัพยาเสกสุขบวกสติสัมปชัญญะบวกสันโดษคือสู่ที่สงัดธรรมสมาธิไปสู่ชำราณิวรนมีปราโมทไปสู่ฌานสี่ฌานสุข แล้วเข้าสู่หมวดปัญญาคือไปสู่วิชาสามหรืออภิญญาหหรือวิชา8ไปสู่วิมุตติและจบที่ขยายานกระบวนการปฏิบัติธรรมแนวนี้มีที่มามากมายเฉพาะที่ตั้งชื่อหัวข้อนี้คือตามนัยยะมัชฌิมานิกายมัชฌิมปัญน า, นาส่วนการจัดเข้าในไตรสิกขาถือตามทีฆานิกาย สีลัขันทวรกจึงสังเกตว่าตามหลักนี้จัดอินรียะสังวรเข้าในสมาธิแต่ในคำพีรุ่นหลังเช่นวิสุทธิมักและอภิธรรมมัตสังคหะจัดเข้าในศีลเรียกว่าอินรียะสังวรศีลเป็นข้อสองในปาริสุทธิศีนสีในที่มาหลายแห่งไม่กล่าวถึงสันโดดเลย กระบวนธรรมะอีกแบบคือวิสุธทธิเจ็ 7. เริ่มด้วยศีลคือศีลวิสุธทธิศีลบริสุสธทธิ์ตามภูมิขั้นของตนไปสู่สมาธิคือจิตตวิสุธทธิหมายถึงอุปจาระสมาธิขึ้นไปไปสู่ขั้นปัญญาเริ่มด้วยทิฏฐิวิสุธทธิรู้จักสภาวะนามรูป กังขาวิตรณวิสุทธิเข้าใจปฏิจจสมุปบาทมรคคามัคคยาณทัศนวิสุทธิพบและผ่านวิปัสณูปกิเลสไปได้ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิวิปัสนาญาณและจบที่ญาณทัศนวิสุทธิคือมรคยานคัมภีวิสุทธิมรคทั้งหมด ท่านกล่าวถึงวิสุทธิเพิ่มต่อท้าอีกสองอย่างคือปัญญาวิสุทธิและวิมุตติวิสุทธิซึ่งอธกถาว่าหมายถึงอรหัตผลปัญญาและอรหัตผลวิมุตติตามลำดับกระบวนธรรมะอีกแบบคือจารณา15บวกวิชาสาเท่ากับเศขปฏิปทา เริ่มด้วยหมวดจรณาสิบห้าซึ่งเป็นศีลบวกสมาธิเริ่มจากศิลัสัมปทาบวกอินรียสังวรบวกโพชเนมัตตัญุตาบวกชาคริยานุโยกบวกสัทธรรมเจ็บบวกฌานสี่ไปสู่ขั้นปัญญาคือวิชาสามหมายเหตุ สัตทธรรมเจ็ดคือสัทธาฮิริโอตตั ป, ปะพาหุสั จ, จะวิริยะสติปัญญาบางแห่งท่านเน้นให้เด่นออกมาเฉพาะแง่ของการแสวงปัญญาอย่างเดียวดังตัวอย่างอนุบุพัสิกขาหรืออนุบุพัปฏิปทาอนุบุพัสิกขาคือการศึกษาตามลำดับ อนุบุาพปฏิปทาข้อปฏิบัติตามลำดับหรือการปฏิบัติอย่างค่อยเป็นค่อยไปเริ่มจากศรัทธาแล้วหมั่นเข้าใกล้แล้วคอยตั้งใจรับฟังแล้วสดับธรรมและทรงทาไว้แล้วไววตรตรองความแล้วเข้าใจพอเห็นตามแล้วเกิดความพอใจแล้วมีอุตสาห แล้วสอบสวนจนจับหลักได้ชัดแล้วลงมือปฏิบัติเพียรจริงจังจึงไปสู่อย่างรู้สัจธรรม